อ่าเพื่อนตัวช้นนึงทำแต่ละาก็คนะขนัวนึงันนั่งเลยแต่ละคนทำทีแตละคนทาก็ทนลันเที่ี้ตัวเขอกั้งนียวแล้วตัวเขั้งนิดเดียวรอ่า 做那两个卖的不？要不要穿？哎哎哎，这啥？十三分我卖的。啊，卖料卖料，我给忙的很。哈哈哈。要不要穿多没？多的。穿多嘛，上班也近的。 โอ้ยแก่กันดีมาแล้วุใสุใจะก็ติคุณนะไม่าเศ้ไม่เอาจโม่กันห้ากัก็ไม่ไม่ก็ดีเลย่องเาเาอกันได้ให้เข่าเงือนไปหน้ากันนงขาหน้าคือเขาตัวเองไปเลยตำรวที่หน้าบทจีไสยตัวเอง วันใดก็ถือว่าเป็นวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนาเป็นวนพระเป็นวันศีนนนแลแท้ก็ไม้ก็ไม้ไม้ซึ่งว่าเราจะทําสวเราให้นสิสศีลเพื่ออยากให้เป็นพระพระก็ว่าผู้กระเสริฐเพื่อทําคิตใจให้กระเสริฐให้ยิ่งว่าธรรมดา เลยแก น, น้อมน้อมเอาธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธองค์คนไม่สร้างคำสั่งเราจะัร้างคำสอนคมามแท้ค่อใน้คิดใจของห้อเป็นยาบำรุงคิดใจเพราะจะเราคล่มสอดของการคว่อมทุกขกันอยู่และวถึงเอาคว่มทุกข์คล่อมแต่ก่อนบนุได้ตลอดช่วงสิ่งต่งางๆ ง, งหมด เป็นเนื้อด่านข้อทุกตัวรียกกว่าสองการตั้งข้อตั้งสองการค่อทุกข์ข้อเจริญในตัวของตัวเองขณะท่าของกระพุโตโอเงินนักปาทั้งหลายคุณถือว่าเป็นของเลอเลิศว่าถุกสิ่งถูกอย่างในโลกเมื่อมาใช้ท่โลกมันหดเท่าโลกข้อมาโลกทุ่มือสักวันถือเป็นคนอุจข้ดีคือสามารถบำเพ็ญเรียนว่าคิดใจและ่ารตายของเฮาในมีคข้อทุกข ปราศจากให้เรื่องตั้ง่างปราศจากบาปกรรมตั้งต่า ง, างให้ ม, น, ม, น, มหนี้จะคล่มสุขความชลุกเรียวกว่าคนทูนิสุสุนที่คอมฉลาสาหัสทิศใจนี่เส้นเอื้มาทุกพลิกกาบังคล่สมดน้อมหังสการตั้ง่างไม่ก า, ามากมาอาต่อพยายามเสียสระสระดอกนั่นเป็นเรียกว่าอน า, า, านาจใจยำําดด่านธรรมะกัญชากตุนกิเลสตัวนหนึ่งกิเลสจะพื่งสายละวเมฆ มาบางเขาคุกไปจันทร์แตมามาเห็นแต่เราเิดถึเป็นท่มโลกท่มมหลงท่อมโวดที่เขว่าอนพันยันพระนันทาก็ท่อมมาเขาามาแสกสิงขอได้คิดใจคิดใจให้จะาทว่ส่งว่กงไว้พระเดียวกระจับไปเถงคนคิดคุ้นแกนได้สัตรูปลพุทงเม่เมื่อทนอนตระการสมัยขั่งพุทธการจนเิดยิ่ง ศาสนามั่นคงเยอะมากสึ่งนี้พระพุทธเจ้ารักสาวกสร้างร้าประาทศาสนาโดรงกแห่งประเทศไทยเข้ากับลึกึงกว่ามากสมัยพระเจ้าศรโศกกระลาศรีธรรมาโกกระราคุณทรงพระโสดาอุตรามาวัตถกลาคารในชินคตปบัชนยแดาบัคตุศรศาสนาแต่ทีมันก็มีหลายลอยลอย ไล่ศาสนากันด้วยโซคันตระแขงแรงขั้นก็ถือเสื Marsh ้อจุดพ้าวเขาก็เป็นประเทศนี่ถือเสื่อราบสักการ์สร right? ้างสร้านย์กางอย่างเเป็นศาสนาการเล่นกันกันหลายโดยเฉพาะพุทธศาสนาในคนละได้มีการบังคับปันญาเป็นการปึกสำนึกร่วมตัวเองให้ตัวเองเป็นผู้รัผิดชอบตัวเองการประฏิบัติธรรมได้ผลหน่อยมากซ้ําสูงแชร์ใจตัวเขาห้องเป็นขั้นรวย เมื่อต้องเด็แต่วอ่อนว่องผูยิงย่งน่าทักทิ้งให้ันจะสอนในในสวาค า, าธรรมสวาคาโตภกวาสาธรรมโนธรรมะจุดพระพุทธนิขาพานเจ้ากมกัดใดดีแล้วหรือขั้นดีขั้นยากที่เป็นธรรมะประเภทเด็กันตัวที่แรกก็สันทิชิกโกคือโลกผู้ปฏิบัติยอมรู้เองหรือผู้บรรลุยมเห็นเองขั้นบน ม, มาเห็น ก้อนเทาหมันเท่าตัวเขาเข่าเองแต่ิญธรรมเจริญขั้นเป็นผู้เห็นดีเป็นผู้รวยแต่ว่าธรรมะประเภทนี้เป็นธรรมะที่เกิดจากการปฏิบัติมันเป็นธรรมะเกิดจากการศึกษาเรื่องการท่องการบ่หรือการยังยิ้มแต่ข้งจากข้างอื่นเป็นธรรมะที่เข้าถึงคิดถึงใจจริ ง, จรงใจเท่าเป็นผู้รวยว่าไมืถถ่อรสชาติเช่นใดเฉยแต า, าสัมผัสกับใจของเท่าแล้วอยาายาง ให้เราหลายเสวอยางขันข้มสงบข้อมสงบประเตวจาวาเป็นของชิลเร์เลิศในด่านข้อกตามพระคิดจาวานัติสันติปรางสุขันสุดเรื้องยิงจากข้มสงบปณิเวจาปในโลกนี้พัง้อมสงบปีิเขาได้ดูดลืมรสชาติของธรรมประเทศเมืองพระธรรมเจะยางมือลักษณะโพดไป พูดไว้เป็นภาษาอะไรก็ใช้ไดไปเป็นของนี่ของจริงเยอ่แหละพระพุทธองค์คนใดสอนเลยภ้าษาจะพูดเป็นภาษาธรร ม, มดาเพื่อให้เข้าใจกันแต่ธรรมะคเป็นของจริงหรือธรร ม, มชาติจะเป็นของจริงนั่นม่รองรับส ม, มุดจะใช้สื่อว่า่าสงบหรือว่าสมาธิวปัญญาวาชานี่เราคนในท่านยังจะต่างอันนี้เป็นภาษาสา ม, มุดให้ดูกัน แต่ตัวจริงของขมเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นจากการปฏิบัติแต่ผู้ศึกษาเราเรียนไปกเรียนไปหลายรรมจีโต้เลียนหนึ่งสองสมดเก้านักเขาร้จนถึงขั้นอีโเี่ยนเรื่องเี่ยนเลี่ยเรื่องของขมาแะเ่ำแนวคิดของขมาต่างๆประการวิธีการปฏิบัติแบบนั้นี่ธีอีกสามแบบ แต่พวกเรานั้นบางองค์คนก็ว่าดกปุถุทนิมัสเขม่เสด็จสุนไม่ด้านธรรมะคือแท้จริงแต่ยิ่จะเวืองจะเล่าจะเข้าการคจะเข้าลงสืบพิมสำหรับพวกเขาพ็เป็นนักก็มัสจะเห็นระพุชนิมัสคนจริงจังภาดนี้เส้นเชือ่เส้นโยมใสในพระพุทธศาสนาด้วยเชือ่ตัวตนเองด้ดเมตตาสงสารตัวเองแหละก็ต้องนับถือพระพุทธศาสนาก็พุชิมัสต้องทุ่มทิ้งจัง ว่าสากลเต่อเป็นพื้นที่เฮต่อเป็นประเทศนี้คนเราข้างเราข้าวไปดีสิทอยากให้เสวนี่ให้เสือชนี้เร่จริงจังคือยังไงขณเที่เราบรัตรศูนย์ธรรมะคนเราในสลาการกั้นใหม่นี่เป็นบัตรศูนยธรรมะในการปรุณบัติพระเจ่าทั้งที่กูโกภูปฏิมาจอมรู้เองจ อ, อมเห็นดีอะซาลีโกเป็นของบริสุทธิด้วยครับตานเยรา ขาวนั่นขาวนี่พระโพธิสัตว์รวมประจําถนนีปีอร่อยี่ันสี่สบายขั้นสี่รบอนียของเจ้าสายไม้เชียงกาบบอิเี่วของคือปฏิบัติไม่จยกวัาหน่อยรายใหญ่ไม่เะียกวันเลือกชาติธรรมนัทธ์้ดก่ระตัเราแยกก็ไมร่างกายสมสกันหมดนี่คิดใจอันนึงมาเสกสิงห์ในร่างกายก็เนียนเมด เมื่อบาคตจิมัสก็คืนด้วยกับการในว่าคืนด้วยกับอย่างคืนยกับเหตุขอการกระทําเหตุหรือการกระทํามเนี่เป็นตัวใหญ่การมีการกระทําหน่อยผลก็หน่อยการกระทํามมากผลก็มากการกระทําหลายผลก็หลายคืนไปตามตามเหตุของการกระทําเมื่อแม่นมาสักคนแปลว่าจิตจู้ได้ซื้อสัได้ซื้อจได้ซื้อได้มม่ก็บ้ได้เื่อใหาจำจับ ซึง <Saint> มัทั้งโลกในห้องนี้ยอมกันลอยล้านพันล้านแสนล้านเพราได้จืดเลยจไเลเว้าเลยแกห้องนี้สองห้องนี้เห็นหรว่าได้จําไรแบบ่ี่หมดก็ได้ลักษณะธรรมะของการโทเคียนร้ายจบปัตดุจําได้ย่อสื่อันแค่ว่าหองธรรมะที่แคร่จริงบ้านเสือจริงเขาทใจธรรมะทั้งหลายแต่ละไม่เสือจากใจ ขณะธรรมะฝ่ายดีกับกรรมฝ่ายบ่อดีกับที่สัว่ายจะเป็นบาเป็นกรรมแต่แคจิตใจร่งเรียวนี่ะพระพุทธองค์ไม่ต้องเคยเริมเน้นนักไมการประพฤติไม่ใช่มจิตใจเป็น่เริ่มแรกคือก็ให้จิตใจสงบมธรรมจิตใจ้องห้องมาู่่องไปตามอารมณ์ต่างๆสัญญาอารมณ์บันัยาสัญญาอดีตและอนาคตเริ่มนที่จะได้ปเจอบันทึะย่งนี้ แต่ก็เสิร์ฟไตามมาร้มเหนือตามเหลองตามเล่าตาหาข้ารต้องเมันไม่กระชอะเย็นม่นรับไปไ้ก็ยังไปกัยังเห็ไม่กระเย็นเสียใจเสียนั่นช่วยประจุนั่งไปตามยอดองมันคือไมรักม่แรงไม่รักหยดเดี๋กววันนั่งเวรอดารจะว่าหารักคิดใจไว้เื่อเป็นรักคิดรักใจในระยะ ที่จะต่อสื่อกับเหตุการณ์ข้างหน้าเอาทำมาเนี่ยจนครูก็พิจัยเข้าเสียงหรอกคนเข้าวันมันชอบกาสู่อสื่อธรรมดาเรียก็ระเคลเรียกกระพุ้ยเรียกกระีิเศษพิเศษเรียวก็ะพิเร่งยุ่งยุ่งยุ่งแบบนั่นไม่ใช่แต่หากการร่างคิดใจพอดีก็ได้เด็ดลอดหมดว่าสาหรับคนนอกจางเข้าเสียงยิ่งข่าวอยู่เรื่อยเราต้นขาดันตั้งใจว่ไม่สร้างออกนะเขากัน อาตัวใจก็ยิ Bem ่งตัวใจก็มีผูกก็ายก็นี่ราทนทุกอย่างมันหาทางออกก็เลยคนเนื่องจกคิดใจว่ามีสี่งพึ่งเพื่ออาศัยว่ามีรักคิดรักใจพระพุทธองค์พระสอนว่า่รักคิดรักใจก็ได้ไม่ได้เรียกสุ่มว่าถ้าได้ผ้าใย่ไว้ตะเกียบตะเกียดในมัดสวามีเจ็ดคิดใจทุกข้อมูลเช่นี้หน่งสิงก็ได้ละทรายที่หันหาคนกำลังอาชีพเขาจะยิ่งสนใจเอาใจใส่ การโดยเฉพาบเมื่อไข่เข้าสุดเป็นเมื่อขุดออพระเจ้าผสมก็มีหลายแสนหลงชรา่จีวัดว่าศาสน า, าก็หลายมุนหลายแสนวัดประชาชนสร้างสร้างก็ไปประกุบปฏิบัติขํานบนุนท่นทานไปรับชี้นสิ้นหาสิ้นแตกสลอดชิ้นชิันเปนพระสงคาสกันยังไงแต่ในด้านการประกอบปฏิบัติร ม, มนเผแพรไปมากกลายของนีแน่เป็นมาขงัางมาเข้าหรือปฏิบัติเฉพาะขัามขัอวคุประเภนี่ ว่ามันเอาคินเอาฉันแรกว่ามันปฏิมาจางอุ่นเอาินหมายทั้งร่างกายชิดใจกันนี่แหละเป็นสถานที่ที่จะฝึกหัดอบรมรับเ่นกายกับใจด้วยกันเอาร่างกายในท้งสนามรบข้าวผลชิรบรบกัมอเลยก็อำนาจคอยต่ำไม่ยังอำนาจคอยต่ำคือบันดชีวเวทั้งหลายแหละที่มันบ่ดึงทักดึงชิตใจเป็นด่านคายต่ำ แต่พูดจนขั้งโลกก็ค่าใช่ก็ว่าพวกข้อมอกเส้นต้องยังเท่าไรเขาได้ฟ้าได้ลงไม่ได้ไปตามรักวามเปลี่ยนเมียงเลยวาจะเจอขั้งไหนจิตใจมัดจะได้กับาไปตามเดียวก็ยังค้นพ่อสมดายันกับมาสิลเป็นลำดั่งหน่ะดังได้อันในวิธีไร้ะตามเฉลยมาขั้งดีขั้งอริวโรเชียวไปแย่งเขามากก็มุกไปขาเจ้าเอาของมาก็นี่ไปบังคับเขามากลออันทั้งอย่าง นักโทษกัไปทำลายบรรดาชีวิตสรุปมาถึงรื่ออันทยังยังโรคทุกข์ทกันกันอันนี้พบเจอองค์ปัญญาเลยว่าจุดบาาุะสอนเลยคนให้รถดให้ละเส้นเล่นมันบม่มันไปทำลายคนดูแล้วผลทั้งหลายแหล่มันสะท่อนกับเท้าสื้อตัวของเขาแก้ผลมันนี่แค่เข้าขาพูดม่พูตายแหลแก้ผลทั้งหลายแหล่มันไม่เยอะไม่ี้แจงเขาเขาก็จะต้องตายเพราะเหตุกันค่สหลายตัว หรือว่าื่อเื่อนเทือก็าจะเป็นไปท้ำลายเขากะซ้ำซ้ำลายตัวเองไปตรวแผนเขาก็ซ้ำตรวให้ตัวเองคนมันใจเนื่องกันไปส่วนเพราะมันเกิดจากคิดไใจจงอยู่คิดใจตัวนี้แหละคนที่ชุดงานก้อนจะไปซ้ำลายเขาก้อนจะไปข่าเขาก้นจะไปเอาชิ้นเอาของเขาโดยบริบทก้าวเขาจะไปชดชี้หรือเล่าคนจะต้อเมีหน้านประกาล ในมาก้เขาก็ได pues er. ้ให so ้เน e ืเขาเคยาเอาไปบางคบเปิดผลทั้งหลายแหล่มันเขามสู้ชิดใจของเทาแต่มันเป็ของละเอียดเขาบ้องมาเห็นถ้าต้องการจะบ้องเห็นกระทั่งชิดใตัวของละเอียดสุดมากไม่จะของสายมันมากแต่ของต่างๆข้างนอกเขาก็บม่ได้เห็นตัวมันแต่ไม่ได้คิดนันก็เงนี้นเหตุถ้าทําไม่ร่ากายเดือดร้อนหมดวกันนี้ นี two two. ่จะคิดหน้าว่เห็นว่าไม่ตัวกันเหรอักก็ว่าชินเนี่ยซักก็ว่าแสงไม่ทั้งตาอะไกันอาจทำให้ค่อนขยลบ่อยตายไปก็ว่ได้ยังไรเฉยๆว่ายัอกว่มันอากาศก็ดูเกิดาอะก่อนโ้นงจะเกิเป็นโลกเป็ท้ยยังหน้าประกันขณะซึ่งแล้วนี่มันาจะูว่าเดียันางข้นมาถึงตัวพวกเต หาเข้าร <that S 1> ู้จักเนเป็นจริงแร้เลยกว่าพระข้าข้ามบาปขํามกรรมพระพุทธองค์คนสร้งมาแล้วเรื่องของศีลอาน่าชื่นหน้ากามเร็วสาสุราเป็นเป็นข้ามมาของมนุษย์คนเรียกว่ามนุษย์สะท่ำพระโพธิสัตวาเรื่องงดเว้นเลยเรกวแบบนี้งดเว้นเลท่านหาย่างมืรคนจะว่าปันเสวีนเป็นเว้นเป็นเว้นเป็นขำทางบ้องงดเว้น ใดหมดถูกยางกรเดียว่ า, างโบราณทุก้อนสมบูรณ์แหละขาดทอกบกข่ำเส้นในเส้นหนึ่งกระเดาเป็นข้อนวิจตรเสนยังขาดตกอกบกข่ำอยู่ล้วงาที่นองของกรโตเรื่องเรื่องศสกยศาสร์กเบนผัดปัตจัยตนนับถือรับรับฟ้าสิสวัดิที่เดเลยเป็นยังไงก็ตามตายก็ตามไม่ได้เชี่ยงผกถึงขนาดนั้นในี่ยเป็นถืเป็นของเป็นอ่าเป็นของที่ท่ำประโยชน์แก่นตน แกจะเจอของเห็นชัดต <Okay. S 1> <'re> ้องไปเชินขนาดมนบ้ากล้าเหตุกล้าทำพอทำต้องไปก็ขึ้นมาหาเจ้ของเลยเือจะเข้าบ้กล้าชิมของจะเป็นผิดเป็นเท่เป็นยาผิดจะเป็นของผิดแสดงต่างๆการทำมาทำกรรมลิศเรียนเรียนคนดึนกับก็จะได้คำนอ่งเดียวกันจงเห็นชัดต้องไม่คิดใจตัวเองย่างนั่นเอาใช้สุไัยกล้าเหตุใร้ว่าชอบทำคนถูกชอคนไม่ชอบเป็นคนถุก ฉะนั้นต้อได้สอนให้ระในอำนาจไฟต่ำบรนดาสิ่งคี่เป็นไในด้านไฟต่ำเราก็พยายามครับตรงคิตใจให้เป็นใจเขาก็ดีก็นี่ี่คือสอนนี่บุญนี่ปัญญาเฉลียวชาดเป็นญาชาติตอนนี้ประเทศเอาสิ่งนี่มาถึงขั้นต้นสิ่งที่เราเด่นจากซึ่งภายนนอกทั้งกายทังอวัยวะแต่ก็พยายามครับคิตใจให้สงบตังกายตึงสมาธิ ธรรมะสมาธิคคิดใจคือแน่นหาทาวนเมื وں, <groans> án, ่อวันไหวนีอารมณ์ต่างๆเมื่อวันไหเนี่เสียงผูกตองสูงจํจๆเมื่อวันไหวกับเหตุให้ต่างๆคิตใจยังคล่งท้นทาวน์รึดกั้งมันด้วยธรรมะเรียกว่าคิดใจก้าวห้อาสติคืออบประก็นันะเรื่องยกับท์สมชาติของขีตุศัพู์เราไันมีพลังเกิดขน เดินครอบรูทั้งหลายแหล่มาอยู่ในตัวห่อวัฒนงแค่สร้าไปตัวตัวขนตัวแขงรอบรอบเขาจักรวัลทงหน้าท่องหลังดูอันันคิดใจก็บว่าไมีกำลังธรรมดาแ้ากับแสงไฟแดงออกไปและแสงยึดยึดไปาแล้วก็บอกแบ๊าวางเรืองเดินกุเดือไฟเดือใหญ่มล้วก็แงสว่างโล่เลยย่างเดือดพดันี่ขั้นในกรีห่อร่วงทัอบรูทั้งหลายแหล่มาอยู่ในจุดใดจุหนึ่ง ยืดในัวของห้องเราก็รู้ไปหมดแหละแสดาตัวพรงไม่เจ้รู้ในด่างกายของพระมรกนี่คนจะชัดเจนนี่คนดูชัดทันัดกอันใดทุนเสียงทางไหนอันใดตอนไหนเพิ่งตลอดเมื่อดูตัวเจ้าของรู้นัเจ้าตัวผู้เองก็คงจะในทำนองเดียวกันมันเป็นของสดสวยหมดเ่งแเลยเป็นของต้นท่านสาว่านซ้ำเลเป็นของเชียนดูวเทียนดูเป็นของ เป็นเช็กรุ่นได้เป็นถูกเป็นของเข้าร่เป็นของไหนมันเปนแสงค้องธาตุก่นถึงแม้เอาธาตุองโลกก่อเป็นรูกเป็นหลางก่อนแก่ละบางคนผูอบอพิณาศเสวตรเป็นของตัวกันจริงจัแก่ละกลุ่นู้นเมื่อเรดค้องบิดามันดาก้อนธาตุทั้งหลาหลตัวของเข้าม่ไดแชร์คิจวิญญากับธรรมสิงนีแล้วก็ต้องบระบคุณปฏิบัติใจตามลั หลักขั้นเข้าจะนั่มที่ิตคิใจเข้าไปสู้เป้าหมายสูงใหญนี่ส่วสุดมาเป็นข้อในชาติหนึ่งหรือโดยประสบพบพระพุทธศาสนาในข้าวนึงครั้งหนึ่งอันนี้ก็ข้อมเข้าก็มีคิดเต็มทีที่จะนั่ไปใดโดยเฉพาะเมืออไห้แห้งสบายพระพระพธพระมหาร่ชาหมาศาสนาจึงกระตุ่งเสริมในการปบัติพุทธศาสนาไม่ได้ค <in un> <information> ัดข ok ้องศาสนาอย่างเคับปรวัติว่าพิษกับแม่บทๆแม่บทกฎหมายบานเนืองก็เห็ส่งเสริมัม การจัดหาข้าร่วมพลังชีลิได้เด่นดูร่วมกันจริงเลยซึ่งสรางต่างให้ร่างกายของตัวเองรูแล้วของคุณก็ไม่ต้องเชื่อเราก็รู้จะเขาเราก็ไปแล้วละมันดีว่ดีเส่อมันไ่มันน้ามันแกรปรวนสู่โลกเข้่อนไถ่นาประการได้เขาเห็นกับมึงอันนี้ห้องกิจวัตดีเรื่องพละร่างกายสมบูร์แบบมีตาหูจมูกจีนายใจครบขั้นบริบูรณ์หมดการทามที่เนักเคียรารโลมาสลอดสึ่งมุตังนี้รมด แ่บางองาบางข้นด้วยกันซิางกายก็ผสมประกอบขึ้นี่ขากรใส่ขาบ่เลยบางค้นกอขาเจ้าขากขาดกันีบางเสียนี่าก็ใส่้าบ่เลยมงไม่เห็นคตาบอดตาเจ้าไปนี่แขนก็ใส่แขนบ่เลยนี่หัวก็ใส่หัวเลยหัวก็บรรยนหววกหันักเาลแกว่าข้ามันสมบูรณ์ทุกอย่างเลยก็นว่าเป็ผู้โชคดีมาก ขะท่านมาเข้ากัพระโต้งพระเจ้าได้กาไว้ิดโมนุสปจราพว่ดอาจะผ่าพระชนม์มนุษโดยสมบุณแบบถือว่าเป็นผู้ไม่โชคมาโชคหลานอุจแพวกศิไม่เสดยสอนกํามแจกมาไม่จะหูหนวกตาบอดแสงขาดขาขาดมาเสียแก้ท้ายหน้านัการสซนมาบ้านในห้่าท่านบอกสายมนจะใช้ในขั้นนยังจะนี่สวนั้นหลายเท่าไรย ถามันต่เสมบูรณ์จะพ้นจว่าโชคด้โชคยังใดที่ได้เื่อหเาสามารถถูกใจน้ำชีวิตีใจไปสู้ร่วมสุกกันยิ่งกันยังได้พื่อปัจจุบันทมาตามหลักของพพุองคนว่าไว้ยั่งดีรักกันมีที่กันตลาทุ่รักการปัจจุันสอนได้ไหมนต้องใช้คำตำตลาดทุ่งขันสูงาพระพุทธองค์นในจจุบันปมาแล้วได้ลูกมาแล้วได้เห็นมาแล้วอยู่ทเห็น เรียกจะถ้ามาขัดค้ามขัดกางขัดสูงยรื้อัมละกยาใครพูดมดามนุษย์ชาติทั้งหลายแหวรู้ซักทัวรนดทั้งโลกอยากให้น้่ไปบกทปัิญาทัวรครัดเดินไปถึงท้งทุกที่ยังคงอยู่จนถึงปนิภัณฑ์อย่าสาววกต่างๆเพิ่งจะไปหล้ไสมัยข้างตุกตาสารหรือสมัยตอนก้างๆมันจะยังไปกันเลยแค่ห้าโมง ไปกันเลยแตบางกนันจะมัดทุ่งขันแล้วผมก็เกิดคุณภาพเซนทีแล้วก็ไปกันเลยนั่นจะว่าไปจะว่ามาว่ารู้ไปว่มาดูยุ่งท้งนั้นแต่ว่าบางคนก็ได้มาเกิดคุณมาพละรก็มาคิดใช่ไหมว่าชู้ทั้งนอกคิดใช่ไหมว่ากายจะคล้องแน่คิดว่าไรนี่ก็เรื่อยุ่งกับมันยุ่งซุ่มซิยุ่งต่างครอบต่างรัวกั่มันุู้นขั้วัวแต่มันขัวมาครอบหัวก็เรียกว่าขังเลยไปเพรา้แต่ข้านาข้าหลังยุ่ง เม่องเศร้าเงี้ยเยอะงนก็จะไปที่นั่นเจ้าบนมาทุกเรื่องก็บนมาเนี่แดดมันดิ้นขึนมาสำหรับบางคนมางคนนไม่ทันกัเ่อหาเอากระเบื้องหาคอทานตาเอาทั้ทีเย่นี่ก็รู้กันไปแต่คดาเงีนในขเลต้องสนหรับบรรดาข้ามัทธโลกเขาพระเจ้าองมันก็มีมาหากรุณาเมตการไหลวงรัการสาชนทั้งคาสั่งคําสอนใหม่อกเป็นบรก็ทอดมาถึงห ไสองพันกว่าปีมาแล้วแต่พอปฏิจะองค์ก้อนก็มาเช่นนั้รักทางค่อยๆกันนี่แต่ว่าเฮ้าสิยมานดไปเลยมากเจ้าเม่มาเกิดรวมกันนี้ต้องเกันเยะยะยถ้าเพราะเรองการจะพอปิปฏิบัติจะไปสื้ควบดีย่างปิสอนมาแล้วเลลงมือพอปิปฏิบัติบำลุเหตุกันเช็นแบบขื้การปฏิบัตินี่รักทางของมนเป็นสอนเองสเริ่มายไชื่อทื่อมันจหาไปเชื่ สันนั่นมัราะเราจะเป็นนักสร้างเราปัจจุบนดนเ่อเดียนเร่อี้เลยที่สมัยเฮกุสุนงค so ์ลยแต่ความทันปัจจุบันมันกินกันปัจจุบันถ้าใก็ว่าใจก็ใจนีเท่านั้นแหละแค่เาใจเจะส่วนไหนใจดีเราใจก็ว่าใจมันก็ดีแคนั้นเริ่มแรกกับจังหวให้ฟังแเป็นสมาธิเดินข่มรูม้าทำไมเป็นสมาธิสักวันเลี้ยนไเลียนไปกรรมอะไรเลี้ยกรรมอี่จะมบอ อันม่อยู่กำหนดให้อยู่ก็ให้อยู่แตกำหรดทำแบบอะไรอารมณ์สมาธิที่สื่อใจเจ้าอันเดกเลยอนเดียวเท่าันขออะไท่านหนึ่งขอได็กสู้ท่านท่านขาไปหาใจด้วสมาธไม่ยางว่าสุขเท่กัท่ากับมกำหนดราหาเจอเท่ากับมียนนี่จะว่าสมมูลสมมูก็เลยว่าสังโระก็เลยโมบายงั้ว่าตายตที่ก็เลย มันจะมันจะเชื่อเขาวบมู่ว่าจะควบรู้อายุเขาควบนึกไม่ว่าโดนโดเป็นเสียงนี้นึกเปโต้กับนึกเชื่อแนใจให้ควบรู้อายุเขาเป็อต้เน่ยมาสวัสดเป็นอร่อยสำหรับดึงควบรู้ทั้งหลายแหวนมาเลือม่ถึงันคืยไงไงรืำว่รักษามาลูกอยู่ในร่มนี่ให้ควบรู้มาร่วมกันด้วยฮหาเข้ามีสติต้เนื่องกันมารลือกู้ยิ่สตลอดใช่ไก็กระทั่งควบรูกกับหลายสุ่มหลายสินะ อไรพวกนี้ทดสอบงกันงได้น่าไม่ร่าบางบางฮะการขึนกัามการรับกับสามม้กัามได้ประสบการณ์ถูกเวลาดึงข้อูลเข้ามาร่วมเข้าจุดนี้ขมู้ซึกหาคนร่วมเขามาในนี้ข้อมู้สึกซึกแตกกันไ่าดกายเนี่ยพื้น่เกี่วกับทีแสดงอกลายโซ่โซ่ตัวโซ่เมื่อโซ่ละความมันจะหายไปท่ความซุกกันเองก็จขึ้นมาก ใช่อยาูตัวอยกนั่งกับมาเลยนั่งมากสุดคือมรทุศใครึุดก็บ่กอยากนั่นเองบอครบว่าชั้นบอท่านอาหารภาษาหมื่นสิหนึ่งกระนั้นแข้งแง่งยุงนั่นต้งเอื้ออนในด้านจิตใจคือใจไม่ได้ดูดดื่มรสของขมม้ารสชาติของขมม้ามันเลอกเลยเพราะรสทุกอย่างไม่ลบซึ่งชื่อว่าโลกทุกมาโลกทุ่เมืองจักรวาลแว่ถ้ามาโลกแกอนุตโรธถ้ามาดี เยี่ยมทุกสุดในโลกชาวนาในโลกมดทุกสุดโลก่าวตาเข้าได้ดูดลืมรสชาติของคนมึงจะงก่อซุ้งจแต่แม่ว่าใอ้ขั้นกับขั้นเยอหน่ะแคสิเขาก็บบาั้นได้ดูดลืมเอเข้ากับบาูรสชาติค่ายๆก็ว่าเขาลลื้อละพนหม่ยุ่เมืองนั่นเมืองนี่นี่รสชาติอันนี้อะไรเป็นแบบตงนี้ี่นี่เข้าขั้นแล้วเข้าบางแื่ยิ่ลดลเข้ากับบาจักว่ะเสียแน่ว่าัวียแน่ แม่ได like ้เลยชินก็ไปยุ่งเรื่งอรโอเป็นแม่ที่วิสัยดีวิสักเจ้าค่ะสบารักษาควสมาธิต้องเดียวกันต้องใจมันต้องสัมผัสกับธรรมะสักกันเราธรรมะของศีลนักเรียนกางศีลศีลภายในนี้เราขาดเรืงอะไรเข้าอ่านไลยพร้อมสงบที่เราขาดต้องเลยเข้าอ่านเลยสมาธิสำัญสาคัญสูง หรือขันการนี่รสชาติอะไหอเขาอไรื้อก็รสชาติต่างๆกลิ่นมะพร้าท่ารูดเท่าเียอันนี้เป็นเพล็ดเพ็ดอันนี้เป็นเค็มนไ่เป็นเกลืออันนี้เป็นหวานเท่าซีเรยอยู่เป็นปรกชินกันเพราะมันเข้มเค้มมากอ่ะอันนี้เป็นหอมอันนี้ธสามะทั้งท Walk kind of ั repair, shouting, ้งสมูกันอันี้หอมอันนี้เพรหอมโรยมดม่าทั้งางกายกันน่แม่อาหารหรือเย็นได้ได้หัวจากบริเ มาสร้างตาลูกเสียงลูกดีก็ดีห้องหูยาวก็งามบางงามมาสร้างหูหูจังปุ๊นี่มาสร้างใจกระู่คหอกันเขาเข้ามาเขาถึงใจว่าดนะดั็ชาติดีก็ดีห้องก็นี่สำนักสงฆ์นักปฏิบัติให้เขาถึงใจท่านครอบสงบ์เขาถึงใจท่านสมาชิกเขาถึงใจลรวโอ้สมาชิกท่คนขัณฑิกาสมาชิกนี่ระดับช่วงนี้ กันน an an ah ับอุปัจจารสมาธีนีรสชาติขนานี้การอัปปนาห์ไมรสชาิขนานี้คำท่านนั่นเป็นยังไงคำ้ันยนมุเตันมาค้นดูขั้นเป็นยังนี่รสาติเปมดขนายังระยางแคถามว่าบัพ่หมารจะไม่บัเกิดสิ่งนี่ยบัพติมารไม่ได้สัตได้ส่วนไม่สมเหตุสมผลก็ไ่เกพติมสิ่งที่กันฉะนั้นบัณฑานัตพิมารจะคอยเอาคันไปราดไ ถ้าปฏิมัติวัดาอะไรก็เขาไปเยอะในป้าในเขาเยอะนีしし่ป้าในดวงนีれれ่เสีานี私私่รายยังหมดไปนันส่เก่งสีเกว่มันสิยาใช้พุ่นก็เดี๋ยวเาไปลายคนแต่อันนั้นอนน่นเนอาางเสียโยกใกล้ห้องดังๆมันเป็นางงเลเขาไดี๋ยวก่อัดส้าจเสียเดียมัเพิงเพิงปอพันประสงค์เะๆคิดแค่ันก็หัตัวข้าเสียบรร นักสอบเป็นสมาชิกอะไรานคุณดิษฐ์ถ้าพูดง่ายๆเป็นเทเดียวนะลงไปในฝุ่นใช้สังไป้เพราะว่าน่าโล่งง่ายเนีวยแไปแค่เขาลงนันเขาลงมันเพื่ออะไรกันตายให้ก็ดีลวมันงเช็ดใจกันแบมันพุ่มเขามันแข็งแต่ขันหูมากว้านมาเลยคนนันหายไปแล้วเวลาสิไปใ้มาใชมาบอกคว้านขันหมีไปไดยก็เลยบางทัไปว่ามันจะโยกเปลืนกางรองไปโยกตรงนี้แล้วกบ ปุยได้ไมสมัยทาบริการอยายเก็ขวบกันยเรหัเมื่อวาจะใช้กิดยกันเลยมางคนเกิเก็วิแต่ชีิต้วก็คอยปรากฏตัวอันนี้พวบางคนนะอารูอผู้ข้าราการก็ไปตามเรื่องของชีวิตชใจของกระตุ้ทการเรื่องนี้ควรจะใครทดสอบรอบเมืองใน่คุณกันล่ะว่าธรรมะนี่มันจะคลองิงเช่ไหนแช่ได้ พระเจ้าฝึสอนมาแล้วผู้บาจามันก็นํามากกามากแล้วร่องเร่งมจุดเป็นจิ้มยุก็ตึงตรงไเอาร่างกายชี้ใจให้เราทสอบร่องนี้มาให้เป็นสมาธิเล้เลย้ามัน่เป็นก็พยายามหาวิธีการลอันทอย่างชนก็จะหคนตึงกนช้ขนาดใดไม่ไดเป็นเช่นจะเป็นสมาธิห้จให้ทดสอบไปยัง ส่พนังก็แค่สองโมงหึ่งก็ได้พนังมันสองโมงนังสี่โมงหนึ่งจะทำรวีขึ้นยังไงบ่ขันทุนงานแน่จะต้งงมัดขึ้นสำหรับเขาเ่ยผู้ต้องขังกสามโมอสาขึ้นเลยนังกระทำไม่ได้เกี่ยวเรือนข้อไปเอาข้อมตายเป็นโดนพันขันู้นยักษก็จะเอาลุงเสือนี่ทั้งได้ขะนก้าหัได้กดียวแต่แล้วเพากล้าปนิบุตนมันกล้าไปสังก้มเสือไหลไปฆ่าไปต้นไปที่เขากล้าไปฆ่าเขเชงเง เนี scores, ่ยม er, ันก็วุ know, right? ่นวายข้าวตำรวจไปสู้ตำรวกกูมันก็ยังกล้ายมันกล้าต้อสัวรับใจจะของอะไรหรือเปล่ากันใจห้าสัมปะุบไปเลยอำนาจสายตัมเชืมันเขาไปเป็นข้อมนิจไปดึงมันอะไม่จากข้อข้อม่อในเรือนข้อป้าแพงเขาก็ต้อสัวจนจนแดเข้าวป้าเขาโดนบริหานทับยางเลยว่าจะค้นบอขึ้นแมว่าจะคุดล่ะใครเนี่ะใช่ใครก็เป็นานลังกัน ในเฮาจะดึงคิดใจออกจากกามาใจตั้มให้ยืดไม่หนีสูงขึ้นหายมาปั๊บงร่างกายก็ายดีอย่างนั้นไม่ยืดกับร่างกายก็ไม่เข้าใจกับร่างกายไ่กันถ้าปยังเห็นจะอาการของมันอาการของมันมัแสดงอกคันวดจะหิ้วหลดจร้อนจะร่ายจะไม่หลดนนงบางคัหขีดจมาหล ไม่สั้นสายไร้กาเลยนั่นรสชาติของอาการของมัน่มันแสดงเมื่อเรียนเข้าคิดมันแสดงอานาจสยดำ่มาโลกก็่นกันแต่มาหลงกันง่ายๆเนี่ยเขาแสดงเห็นตรงสั้นเลยอำนาจสยดำเปตัวเป็นอย่างส้มสดส้แขงส้มนิทราธาตส้มพญามาจงเล่นแสดงให้เขาเห็นม้วยไนสายแต่ไฟดีว่าเขาแสดงมาในเรืรอบางคน ขันนีหูจัดเรียงค่ายดีมาแสดงกันมากว่าสมาธิขันนี้ใช่ไหมที่สมาธิขันนั้นเป็นรวมนั้นได้ชื่อนี้ไม่รอช้าทุกนแต่รอชั่งชานันเป็นรวมนั้นด้วยสิเอ้ยนันจะสบายเละขันบ้นใ่หลายจากความตกทาว่าพ่อเป็นสมาธิขันนี้ก็ยั่งดีผู้ที่ดุนญาสูงอาไรก็ดุนบางคนบากได้ขนาดนี้จะยั่งดีเรียร้อ่วมพลังของคิดใจอะไรจกไม่หนึ่งทันเพื่อจะได้รู้ถึงความเป็นจริงในใจของอี่ เขาแก้ไขในสิ่งตางๆให้เบางได้อย่างไรเื่อจาเป็นสมาธิคิดใจู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งหรือี่สติครอบทุบจอยากเขาสิรูถึงค้อมเป็นชิงไหใการเป็นมากของเขาเลยสั่งบาปสั่งกรรมด้วยมุ่งเลแชร์รดชาดเลยทำอะไรมันจะเป็นบาปเปกรรมมันจะเคเห็นผลข้อมชิงไหมจิตใจอะเขาสิลายือโ่าฉันทำอะล้ว่ะมันได้บาปดีตัวหนึ่งา่าให้หรือใครลดตัวนั่นย ไปทำไรสักเนี่ไปฆ่าคนด้ืยวัดไปชกไปรักทิ้งไปสินหายโอ้ไม่ได้บาปที่ยู่ทัากันเลยวัดเลแล้วันใจมันเห็นนะมันมันง่อมน้ยง่มง่ายใส่ใจว่าเห็นมันก็ื้นเดีว <Wow. S 3> <Mine> ั่นแล้วนี้เมื่อเวลาโรคไข้ใส่เจ็บมักนแม่ใตัวกองบานไม่โรคกันโรคท้องไม่โรคชกาไอวัยวะต่างๆแสดงจนม่เยนเขาสามารถจะเจคนัวหาเหตุนั ไอ้โรพมันจนมาจากโสจนมาจากรรมเข้าไดขั้นเลยถ้ารังขารก็พนหน้าต่อไปจนมาลูกมัดทางกรรมทางเล่นะแล้วก็ไปขอโหิกรรมจากโถงยอมรับแล้วเราจะขอเป็นกรรมนเขาให้อโกรรมเรยแล้วเรื่อยไนในเยาาบหายกปหมดหเชล็ดหวเค็ดตาปวดเท้ตัวดใจรือยจนจกนั่นโรคนี้ปจไม่เคจะขาเองเรื่องเศษของกรรมทั้งนั้นแล้วม่อไรจะแก้ไดปบ้าได้บาหน่อยด้วย แคทำหมร่างกายอันนี้สบายไปหม่อยชี้ใจเข้ากรดูกถึงเจ้ากิงก็ยิ่งเกิดสัทธาหารในการใช้ปุถุชนที่มาทำมาสัทธาเป็นความทรงจำเคลื่อนย่ะแค่นี้ทหารร่างกายเข้าแต่สภาพปัญญาเืองนระยากิดเป็นยู่ได้รันสมาธิันตัมก็ดีขันการก็ดีขันจูงมดีก็บรรดาห้าเสือถึงขั้นง่ายตัน้ละไปขั้นมลพลษนี่อุบัติภูธกไปแลด ใจนี้ม <mister ius> wow, si ันจะแสดงให้บุญเอาใจเจนี่นะมาแสดงให้ดูถามได้ปากได้ก็การนัํากันได้ล่ะไปเกิดเป็นภูมิไดพบได้ยื่ซําได้ซ้ำได้ไปเกิดนั่นพอแม่พูดันก็เสียใจของเมื่ไว้นนึล่ะมันพวมรู้มันนาฮ่มกันไรอย่ง้มันก็รู้เถอะใจเจนัวมันบอกความแสดงอย่างนี้ใช้กับข้าบุญหนังบ้างเาพยนตร์นี่แหละเห็นโลกความตัวจะของควมยังควอมนี่นี่ก็จะว่าอ้างตัวจะขอให้คนใจเย็น จิตใจก็คอยคเกิดเฉลทั้งเรื่อ่นก็จะมเ่ในการประคุปตปจิบัตก็นองแต่พอมาได้กรมูกมันตอนการว่าจะไงจะนั้นเห็นไัแล้วก็เช็ดขันตัวนี้นั่งสมาธิจิตใจก็บ่เพื่ว่าโตไปหมทีไรนือยนี่จะห่วงเงานฮนั่นควรทันตั้งหลไฟเราเช็ดหลอเข้าสำหรับความจะน่าแด้ทันเจ้ากระทำชื่อว่ากาตกสูง เแต่พอเราสุกเราเข้าเราขเราเข้าเหที่เขได้ปีกเขาทเก้าหันเนี่ยํากันก็เข้าเข้าขี้มาใช่ไหรื่องขราตหอดหัวหัวเขากันเลยแสีงคขับข้อมามารุ้นกับไปพ่อเรียนขับขึ้นมาเนี่ยแันไ่รู้หัวเขาจะไปเนอนเรียนรถเนี่ยนีกันมันบันไดแ้่มาคัดขอมันเลยราวางการเราเป็นจบัติดดานไปรถ มัน่เชท่อสามารย์เชื่อแบก่อนพวกเป็นพวกมาดมาตั้งมาดันเลงนันเรื่องขี้ใจเลยเอามาเอามาขวงกับของเลยเร่งขี้ใจนะใส่มันจะแก้ของมันเองนี่สาหัสสาหัสการหันเดียวเดียวเลยมันก็ได้กันสุขัดอย่างไรก็ได้นวันข้าวแตเป็นเห็ดมัธดาอยู่นั่งม้แต่สามชี้ชี้จีแล้วหุ่นไ่ได้ยังในใจ้อมมองเอาห้าม้านชี้เจ้าชุกขันมันก็ให้เปนเช่น้นไปเลทันสามาัก์ต้อยุทะ เมืรฮันเดียเดียวก็แค่กันทกองแต่ม่นั่งก็ไม่เหือนี้องเขาคไร้ม่มร้างสนะแท่เขาเขาีฮมาเจอกรอนูนมดแล้วหมดไม่มีไ่ม่ร้างสูไอันนี้ยเอาเห็นแล้วไม่ชนะจะของกันปะเนี่ยยืนัคนสาวกันจริงจังการตระูลองก็จะหลดสารในรถ้าได้ชนะนได้ครั้งหนึ่งดีก็ชนะสองข้ามโลกไป กาวขั้นที่ขั้นอางนี้ขนอันนี้เขากับชนะสงคราโลกโลกนังโลกขันพโลกคือโลกขันหากรอนนี้เอาขันหากร้อนนี้หละเป็นสนามโลกลบก็คิดใจลบก็คิเหตมันว่าเป็นสัญชาตบาลนมันฝืนมันแก้มันยังน่าจมากระต่ายได้สังเกต็เท่ากับมาสุดท้ายไปตามล้มเนี่ยเห็นได้ยังดเกเห่อยสมัยนี้ดูเศร้าร้านเด็พผู้เป็นนึงกับฝ่ายตัน ำเพ่อใจแล้วก okay. ็สอนน่าจ่ายขนากว่าฟั้งสสร้างเส้นให้ตามห่ของเขาสั้งสอนไม้ต้องแค่ในมอแก้ไสไม่ต้งแค้ใมือก็ได้เลก็ชี้ก็ชี้ข้อยังกันยังเงินไม่จ๊ะคอยู้เรื่องใจกันนั่หลายชาตหลายคนก็เลิกเกือบจะขึ้นพ่อขึ้นแม่กันน้าสวานพอแม่ก็รู้จักสูงขึ้นสูงมัไปถึงขนาดนั้นนี่นไ้อสักกนร์น่ะม่จะใครจะงง การเรื่องจากสินค้ำคำว่าไปแท่กก็ม่ใช่ใจมันเข้าไปว่ถึงซึ่งว่าบัพติบาลจะมาจดบัชีใก้ั้นไปชวนะฮะตาจะใเห็นตัวับของกันจะถึงจะคุ้นข่าของสินค้าเห็นใจจะของเราใจมันถีแสดงให้ตั้งหลักท่านสอนไปใตัวหอกเป็นผู้พึกษพาไปทุนเนี่ยมันจะไปโยหทำโย่พูพิโรภงยากพิรึงากันเดยถามกันเลยอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้อันนีันนี้อันนอันนี้อนนีาอันันนัน เราจะมาชี้ขมูองเขานีสัญญามสงะอนีการสอนตุลีก็น้อบเาไปยอะก็เดียวด้เนี่สัญญาบานหลังเดียว้วยก็ชี้สัญญาบางที่ผาบางวงก็ไดนอเอะก็เดียวว่าสิยนเปะมอก็จะเลทรเรี้ขาดนวยรูแล้ว้งขดั้ินใจทังย่างจะเลยเลามอำนาจองขากคย มั рон like. that so here, and so ่งแก่ต้มใหญ่มั่งแก่ว้มตัวมั่งแก่ตมขีข่าม้่งขีเข่ามันอนนู้มันมีหลายตรนกูลสามตาเข้าแก่เราต้มตาหารเกิดขึ้นมาแทนทีเลยข้าไม่อย่างนั้นเสือแมเราไม่จะไปดุเราเลเาอย่างนั้มันจะขัดมิกบเขาต้องมีว่าใส่ถึงมันเขาวงมนมันกาอกอันนี้เรเ่นปะามอารบณ์ปรอเราได้เราเพื่อทัดปองมาเลย ในย่างการแต่สุดทางเดินลำมักกับป้ายตอนแรกยังไงแต่การันก็เดินซีซีกิโลรบ่าใส่เข้าแหยุเลยอะมันเดินอีกสักีกิโลเท่านี้คนเท่านี้ก็จแจ่นั่งเรียงลุ่มๆชี้ไปหลอดไปเรื่อยๆอันทัางยังไม่มีการทุกขทันด่นหอกกำลังการบริหารร่างกายแล้วพระองค์ปนะศรในเดินจงกรมนี้เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา เทียนยังได้อาวุธทั้งสี่ขาดขันหอวรถมันต้องเดินสะดวกขาสั่นต้องพับก็ยังนั่งการนั่งมั่นรถรถนกะเป็นรกนันดิฉีนนี่ก็ยังสินอปนอมเมื่อสินนี้ก็จะน้ว่าอะไรวาลงวลงเก็ว่าจะกับสีอะไรแล้วมันเอาคำก็นเลยสีเอาแกะกันก็ว่าอะไรสุดๆมันก็ยิ่งท่นเด็ดเรื่องของกิเลสมันดึงออกเจ้ของก็ห่นมือกัน คอนนั้เมื่อถึงสมมุงิองสมม่ติในวัยเราบางคไปทังว่าแมนหมดนั่งกันให้กันคิดหน้าที่หลังหน้าหนัาประกันเรื่องของห้อง่แก้ไขทั้งนั้นนะป้อยอาการยจะท้ากับถ้าหากนักปฏิบัติมันช้นทำกันได้หว่ามันแก้มัดทุกอย่างแก้ทั้งการนั่งการนอนการคบการทันการไปกันมาการคับการทชแก้ได้ไหมมให้กันนั่ได้ใจเลยคิดใจเยอะนี่เรียว่าเป็นการทดทับตัวเอง นะค like ันพูแล้ว่าคุณฮัตตัวเองก็บุกหเย็นๆเลคุณัตติดใจเลยนะัตต์จะ้องกันนี่คันอย่างนั่ก็นั่งรดคันอยากนั่งจะไปเข้านอนมันฝืนมันเข้าอย่างนั่งเ่านันจะนังมันแบบมาเข้ามาเอาเอาท่งตัวมาถามซื้อมันันว่าในมันอากฉันนะนี้อันอยากกินนะนี่หลายๆเอออันนั้นไ่กินนะแตหากินนี่อันไม่อยากฝืนเยอเสียไปมันก็ซง่ายเอง อันนี้เันผมนอาะว่าตอนี้อาจกัอะไรไม่้อาใจก็นยากทุกอย่าง t หตุน้ใจบ่ไดก็ไมาเลยจะของไรมาชุดที่เขาทำเน่ยมันก็ถึงจะเข้าไปได้หน่อยพอแม่เขาอเข้าใจนี่ให้ทุกคนสอนยกมั้ยล้ทนเขาคัดจาของทจ่เขาจะว่าม่สอนยากไม่ด้เอาใจกันด้หน่อเพราคุ้นก็คุ้นมันไม่มาเสวยมาตัวของมาสอนแตของนี่จะหุงรักต้นถากมันมันเคยเป็นนิสัยได้ไ มันเข้าชื่เข้าไปในสายวตมันติดเนี่ยแ่ท่ทายอยากง่าย่งกเทาก็แก้นอันนี้เพรามันนั่งนลยมันหลอยากเข้าเลบ้านเข้าหรือมันเก็บเกื่ยเข้าแล้วก็สีเขาั่งสินให้สินกระทำก็ยุคเก็จะมันสิเกลดหรือวใจมันกดหใจมันจะเข้าเกิดินน้ไ่ก็มันเกิดเต็มมันก็ินด้บัดีเอายัง สาพร่ากามันก็บ้ากุ้ยเสียน้ำมือเขเยกมือันมันก็บ้ากุ้ยเล่นไพ่เงินาบว่าอย่างนั้นเตะข้าวเดมันเใจมันหาไงใจมันไม่มันะเจ็บก็มันดูใจมันไม่จะเจ็มันก็่ามันเพลื่อยก็ทใจเดียวนี่เขาตลนของมันรอวะมันส่วนของญาติใจทีไปกัมพู้งสนไปได้หนึก็เท่ารอ้คนทว่าเข้าสวน้เวรจะแก้ไขน่ การสมัครก็ไมกยอมันจะเจอเล่มนจะไปทหัมันเลเรื่อเขาคิดมั่งมันไปสกบค่าก็พูดกันหน้าตายจำได้ยังเสร็จแล่าชีเิตตามไม่้าทัศนมามักคบมันนายหน้หลายก็หลายเลจะได้ไม่ถูกศูนย์มาเลยฉะนั้นพระพุทโธคนเป็เจ้าผ้าม้าก็สาค่ายู่ปราสาทที่มั่นเม่น่าคนแพระพุทโธมันเพื่อขัดเบืองแลัง คนยังมาบ้กฝั่งเขาแหเรื่องกุฏก็ตามเรื่องบ้านดร่เฮียยห้องไม่เหมันจะสุขัดได้งไปยื้ได้ขำไม่เหวไปยได้ป้าผู้นึ่งเดียไปถืเชือได้หลายให้ซึมแห่งมัดมันสารงไงนเอาซิ่งไดล่อมสูงหลังการได้สอนจะได้มือวันสมุคฉนั้นสมชิงสมุขนั่นอะเานาะไจะนี้วก็หลังอะไรใจนี้ก็ไปลองไปทาเน่าสิได้โดยทุกทุกเนี่ย เรี่กง่ายๆใช่ๆก็ว่ามันไม่น้าตักก็น้ํายากปีนเลยทีมันเค็บเดินขยโยขยิบนัก็ต่ถ้ากับตังึงแล้วกันคำว่าเห็นตัวนาไม่เห็นนามมันมันอยมไม่ใช่แต่ถ้าก็ออกว่ได้ก็น่าเอาใจมัน่าสบายพวเจ็บนี่ชันไดก็ดีตาร์ใชนีนกระสุกันฉันว่าเห็นว่ามันได้ระยอยชั้นหน่อยนี่จะใช้เรื่องใบว่าเห็นแบบนั้นแบบนี้มันก็ไ่ได้เท่าหร่ ื้องนฝื้จนตัวจะเห็นเห็นว่ามันทุกข์มากใจเลยเพมาะฉนว่ามากใจเลยเออมันน้อนี่มันทุกข์มารอเลื่อนเขยิ่งเนี่มันจะขาดกปคบมาแล้ถ้าเรื่องแรงใจเลยสบายกับแกมันได้ไงนมบัด้มันอยากไปบ่ไปบ่สมบัติอยากนอนบ่นอนมันได้มันอยากดว่มบนดื่มมันฝืนกระแสจนเสร็จอันนี้เรียว่าเป็นการ อ่าเป็การพึกคัดคิใจถ้อยไปตามอรมณ์มันก็ยุ่งสบายการมปฏิบัติธรรมายากเระจะวิงมากรสเ็จถ้าทำเท่ากันจะได้ยากจะทำเขนลขนหัวก็ขนโก็มดเหนีวตึงหนังก็ดแค่แรกคนก็เลยเห็นเราเป็นทังคนนขนาดนั้นนี่มันเาพองเครแม้กปฏิบัติึกัดเอาไว้ิใจ่ใจท สวาจันทร์ไม่สุขใคันจ like ัน <esar> ร so so ์เนลู้ใมนใรก็นอนะตงนนสามที่เสียสมบัต่ยนยมันสูงอมลุกสายก็สายงั้นก็งั้นเ้ยฉันแพ้มกิดพานนันไปเลยอันนั้นคือว่าเป็นเหตุใชถ้าเพื่อเรื่องคือว่าเป็นมาข้าวพลาดไปแบบมันเป็นผลออกจากเหตุเเป็นผลมาคือการปฏิบัติเมมันคลาดมาแันก็ดเป็นผลขึ้นมา คนชื่อว so ัง so ส์น like ี่เขาชือวันว่าในมนเ็นรวยแร้วเท่านั้นแหล่ะเนี่ยนั่มมากเพราะเป็นยาข้างในด่างการประคุตปะิมาธรรมสำหรับบรรดาพวกเขาให้นั่มไปคมชุดที่หน้าบึงสาข้อสิแก่ใช้แบดแจงตัวเองไปสูดรอะไรที่เฉลยต่างกันว่าข้าซ่อมสามารถของเขาพยายามประคุตปชิมาทดสอบแล้วมึงให้รู้ให้เมได้เมื่อใครเห็นอ้าเนีจะเห็นเท่าเนี่ยชื่อว่าพระพฐมโอ่งพระสอนแบบ รู้จักเป็นธ้จจะต้องเป็นผู้รู้ยิ่งและเห็นจริงทั้งรู้ทั้งเห็นว่ามันเป็รู้สิรู้ว่ามันรู้ธรรมดารู้ยิ่งเห็นไปเห็นตามข้อมจริงพลังคำว่าพุทธะจะเป็นผู้เป็นผู้รู้จริงเนี่ยรู้ล้มถึงข้อมจริงและสมมติปัญหาไปแต่รู้ว่าจริงหลายโทษหอกถ้าอยากให้รู้ถึงข้อจริงถ้าก็สามารถจะเป็นปัาท้อคัดตัวเองนไปได้ พามนุษย์ของเข้าเป็นชุนมีโชคลาภย่างสุตาวแล้วามสามารถทีจะน้ําชีวิตชิตจขาเข้าแบไปซื้อโคหนะไดกันยังไงไปซื้อโลกไฟซ้ำเื้ออบายรก็ไปอะไทซู้ๆเรายเถื่ออันนั้นจะเรียกว่าตัวกำลังไฟซําบุงคิตใจไปไปเป็นไปหปมาโรคไปเตะไปซู่ละกายกำหนดจะได้านตัวไปมดก็ไปได้มดดึงคิตใจเขาเข้าโดยนัําคิดใจเขาเข้าบเป็นมนุษย์ึ้นกำหนดมนุษย์จางคนเข้าธรรมดา อันนี้จะว่าเป็นปัจจ <Okay. S 2> ุบันโลกทำกลางสามารถที่จะแยกแยะไปได้แสนอย่างไปสวรรค์ก็เลยจะมีขั้นก็เลยจะทุบมาโลกก็เลยไปเป็นผูปมขั้นก็เลยเป็นขั้นสันสูงสันต์ดำโดยมดหนูสายบายโลกโดยมดจะมาเกิดเป็นมนุษย์แตเขาจะไปโลกมื่ไหรคิดเป็นโลกของนี่นั่นนี่นัานมาที่นั่จะอยู่ไปอยู่ด้ตามเหตุสิมาสะสมสะสมมาไว้ในมันจะบุตร ถ้าสมได้ถ้าจะเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์มนุษย์ขัดเะมนไ้่หลายใจรันไม่ลายััดถ้าจเป็นเสุรกายกาหนดชื่อฉั้นธาลกก็ไปได้ถ้าสมได้หลายจะเป็นเทพดาจันทรเป็นพุ่มดุจเทนพมารกชิบหันมืออรุกับุมหรือันก็ไปได้ถ้าสมได้หลาจเป็นกายตุลพายเจ้าเป็นพายรหัสตั่งกัดไปได้ไอันนี้จะว่ามันทั้งไปได้หลหลายสุด ตาหากันมาุูสมบูรณ์เลยนี่่างคายิตใจสมบูรณ์บริบูรณ์จะเขาสู่ข้าไปล้วจะเข้าสูนั่งไปเขาสู่้าเข้าไปสู่ไหนที่ไหนเด็กชายนังผูว่าจังหนาจ้งว่าจะซื้ขาได้ดานธรรมะยาแล้วาจกประทไปเท้เทนี้ก็ไปยุ่งอขให้นั่ไปควมพินิจ่้าบงาสทไปเสกันสุดาเจริญน่ละ